พุทธธรรมฉบับปรับขยายภาคที่สองชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่11บทนำของมัชิมาปฏิปทาทางสายกลางหรือมกคือข้อปฏิบัติสู่ความพ้นทุกสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้าบหอ่านโดยอริยคุณชมรมพลดีบทนำสู่ความเข้าใจธรรมะในภาคปฏิบัติ ที่เป็นทางสายกลางสู่ความพ้นทุกข์หัวข้อหลักคือเรื่องของมรรคและไตรสิกขาทางสายกลางที่แท้จริงคืออย่างไรรู้จักส่วนประกอบฐานะกระบวนการและความสัมพันธ์ในองค์ธรรมที่เกี่ยวข้องรู้จักมรรคในฐานะต่างๆหัวข้อย่อยเช่นอนุปปภาสิกขาสัมมาปฏิปทาอาหารของวิชาและวิมุติธรรมะเป็นอาหารอุดหนุนกัน พรมรรจันท์ที่สำเร็จผลวิสุทธิ์ที่เจรณาสบห้าธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบทความหมายแท้ของคำว่าพรมรรจันท์และศีลธรรมอัฐะประโยชน์สมขั้นบุญกิริยาวัตถุสามระบบและองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาระบบแยกส่วนของไตรสิกขาเกี่ยวกับการรับศีลให้ศีลเรื่องของวินยัย สองอย่างที่ช่วยให้เกิดสมัมมาทิฏฐิมากสำหรับขรหั์หรือชาวบ้านการพัฒนามารคาในชีวิตของแต่ละคนและอื่นๆทั้นทงนี้ในหนังสือจะมีบทความพิเศษในต้นเรื่องของพุทธธรรมภาคที่สองคือภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งท่านนำไปพิมพ์รวมกันไว้กับภาพรวมของมัชฌิธรรมเทศนาภายใต้นหนังสือชื่อว่าพุทธธรรมเฉพาะภาพรวม และจมุ่มผลดีได้จัดทําเป็นเสียงงานก่อนหน้านี้แล้วเพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วนควรได้ฟังก่อนหรือย้อนกลับไปฟังอีกครั้งนะครับสําหรับเนื้อหาในหนังสือพุทธธรรมค่อนข้างเป็นวิชาการเชิงลึกหากรู้สึกไม่เข้าใจขอให้ฟังด้วยใจสบายสบายไปก่อนนะครับมีเวลาค่อยกลับมาฟังซ้ําหรือศึกษาจต้นฉบับหนังสืออีกรอบซึ่งปัจจุบันมีเวอร์ชั่นพุทธธรรมออนไลน์ให้ศึกษาได้ง่ายขึ้นมากควรใช้เสียงงานเพื่อจับภาพรวมเบื้องต้น หรือเก็บไว้ฟังทบทวนในภายหลังและที่สำคัญที่สุดเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นแนะนำให้ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรมก่อนฟังขึ้นไปตามลำดับบทจะดีที่สุดนะครับร่วมจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยเจ้าภาพหลักรอบรัวสินทวัภไพรัฐและสุชาดาจันทรามิตรเจ้าภาพรองสุเมศคุ้มวงรอบรัวอน า, านาจหารกิต จ, จิดาพรคงสิธิ์อาชีพจานานเป้น สมมลเตชวันสิทธ์คมสอนลิ้มกุลทอนอภิชาติศิรตนอารามร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันสภพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง